ส่วนมน์ทุกเชา้าทุกเย็นอย่าให้เป็นแค่พิธีกรรมแต่ว่าให้เราใช้โอกาสนี้เนะี่ยพิจารณาธรรมะที่เราสาธยายถ้าเราไม่ปล่อยใจลอยนะมีสติพิจารณาข้อความแต่และข้อความแต่และประโยคแต่และประโยคจะมีประโยชน์กับเรามากนะจะช่วยทำให้เกิดปัญญา โดยเพราะทำวัดเช้าเนี่ยมีเนื้อหาเรียกว่าเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งที่เรียกว่าวิชาชีวิตเนื้อหาก็ไม่ยาวแต่ว่ามันรวบรวมสิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเอาไว้ตั้งแต่เกิดจนตา ย, ยไม่ใช่เฉพาะความจริงที่เกี่ยวกับทุกเท่านั้น และรวมถึงความจริงที่เกี่ยวกับการพ้นทุกข์การออกจากทุกข์ขณะนี้การที่เจ อ, อกจากทุกข์ได้เนี่ยนะซึ่งเป็นสิ่งยอดปรารถนาของเราทุกคนเนี่ยเราก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับทุกข์ให้ดีซะก่อนแม้ว่าจะเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบก็ตามแต่ก็ต้องทําความเข้าใจมันก็เหมือนกับการทําศึกสงครามนะ เราทำสงครามกับปรปักหรืออริเราไม่ชอบแต่เราก็จำเป็นต้องเข้าใจเข้าใจเขารู้จักเขาให้ดีแบบรุปป้ปลูโปร่งจึงจะเอาชนะเขาได้อย่างที่ซุนวูว่าเนี่ยนะรู้เรารู้เขานะร้อยศึกก็บ่พ่ายต้องรู้ตัวเราด้วยแล้วก็ต้องรู้จักเขาด้วย จะรู้แต่เราไม่รู้จักเขาเพราะว่าเราไม่ชอบเขาทันหลังเบือนหน้า น, นี้อันนี้ไม่ใช่วิสัยของคนฉลาดหรือผู้มีปัญญาแม้ไม่ชอบก็ต้องรู้จักเขาให้ดีนะจึงจะเอาชนะเขาได้เอาความทุกข์ก็เช่นเดียวกันนะต่างก็ต้องที่ว่าความทุกข์ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องเอาชนะนะสิ่งสําคัญคือเป็นสิ่งที่ต้องรู้ชัดนะ อย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าเนี่ยทุกเป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้กําหนดรู้นี่ท่านใช้คําว่าปริญญาไม่ได้แปลว่าจ้องหรือเพ่งแต่ว่า ห, หมายถึงการที่เรารู้ชัดนะแล้วก็พิจารณาไปด้วยอย่างเช่นนะเมื่อสักครู่เราก็พิจารณาว่าเนี่ยแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์แม่ความแก่ก็เป็นทุกข์แม่ความตายก็เป็นทุกข์อันนี้ก็ดูธรรมดาสา ม, มัญ น, นะเกิดแล้วก็ต้องแก่แล้วต้องเจ็บต้องตาย มันก็เป็นความทุกข์หรือมันสะท้อนความทุกข์น่อย่างหนึ่งมันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าคนไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วก็มีความโศกมีความร่ำารํำพันนะความไม่สบายใจความคับแค้นใจอันนี้ก็เป็นวิสัยปุถุชนขณะเดียวกันมันก็สะท้อนถึงความทุกข์ด้วยหรือสะท้อนตัวทุกข์สะท้อนว่ามันเป็น สังขารมันเป็นเรื่องของความพร่องนะเป็นเนสิ่งที่พร่องไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อเกิดกแล้วก็ต้องเสื่อมนะต้องสลายไปอันนี้เรียกว่าทุกข์นะไม่ใช่หมายถึงทุกขเวทนาที่เป็นความโศกความร่มำไรลาพันธ์ความไม่สบายใจความคับแค้นใจนะอันนี้มันเป็นเรื่องทุกขเวทนานะ แต่ว่าทุกหรือว่าตัวทุกเนี่ยนะที่เรียกว่าทุกขังเนี่ยมันยังหมายความว่าความพร่องความไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นมันก็เลยทนได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องเสื่อมไปพระอารหนันต์นีท่านไม่มีความโศกความลําไยลําพันนะความไม่สบายใจความข้อแค้นใจเมื่อต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายแต่ว่าท่านก็หนีภาวะที่เรียกว่าทุกขังไม่พ้นก็คือว่าสังขารร่างกายนี้เนี่ย แม้จะเป็นสังขารร่างกายของพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์มันก็ต้องเสื่อมต้องดับเพราะว่าเป็นธรรมชาตของสังขารที่ไม่มีความสมบูรณ์ทุกอย่างเลยนะไม่ใช่เฉพาะสังขารร่างกายอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นความหมายว่าสังขารเนี่ยเป็นทุกขนะ์ความหมายหนึ่งนะเช่นเดียวกับก้อนหินเช่นเดียวกับเสาเช่นเดียวกับหลังคามันเป็นทุกข์รวมทั้งความสุขก็เป็นทุกข์นะเพราะว่าสุขมันก็ต้องเสื่อมไป ออนี้ที่น่าสนใจอันนี้คือเนะี่ยประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์นะทัดพราดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์นะ่าสามข้อนี้สําคัญมากเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใครยิ่งใหญ่แค่ไหนร่ํารวยเพียงใดนะตลอดจะสวย จนะมีโชคดีปานใดก็ตามมันก็หนีไม่พ้นสามประการนี้ก็คือว่าไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือว่าครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ยก็ต้องประสบนะกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแล้วก็ต้องเจอความพัดพลาดจากสิ่งที่รักที่พอใจปรารถนาสิ่งใดก็ไม่ใช่ว่าจะได้ทุกครั้งเมื่อไม่ได้ก็ทุกข์นะ ความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยของพวกเราทุกคนเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยมันหนีไม่พ้นสารประการเนี่ยหนีไม่พ้นสารประการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุกข์เพราะอกหักตกงานเงินหายโทรศรัพท์ถูกขโมยงานล้มเหลวธุรกิจล้มละลายคนรักทิ้งลูกตายสอบตก ถูกด่าว่าถูกตำหนิตีเตียนว่ามาเถอดนะไอ้ที่เรียกว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เราเจอเจอมาแล้วกำลังเจออยู่และจะเจอต่อไปก้อนนี้ไม่พ้นสาประการนี้แหละคือรอ ล, ละแต่เป็นเพราะหรือเกิดทุกเกิดขึ้นเมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจพัดพราดจากสิ่งที่เราที่พอใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเพราะว่าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นเนี่ยนะยังมีความหมายว่าแม้ได้สิ่งที่รักที่พอใจมาแล้วนะแต่ได้ไม่ถึงขนาดนะไม่เท่ากับที่ปรารถนาก็ทุกน ะ, ะเช่นได้ร้อยล้านโหเยอะมากนะแต่ถ้าเกิดว่าปรารถนาพันล้านเนี่ยนะหรือปรารถนาสองร้อยล้านเนี่ย ไม่ได้ร้อยล้านนี้ก็ยังทุกข์นะมันไม่ใช่ว่าจะต้องเจอกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจอย่างเดียวหรือว่าพัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่รักที่พอใจมาแล้วแต่มันได้ไม่ถึงขนาดนะไม่เท่ากับที่ปรารถนาก็เป็นทุกข์นะได้โชคได้ลาบนะได้โบนัสนะถูกลอตเตอรี่นะแต่ถ้าเกิดว่า เราปรารถนามากกว่านั้นอยากได้มากกว่านั้นได้โบนัสหนึ่งล้านแต่ต้องการสองล้านเพราะว่าเห็นใครๆเขาก็ได้กันสองล้านนะทุกสันทีเลยพอได้มาหนึ่งล้านเนี่ยไอ้เงินก็เป็นที่รักที่พอใจของคนนะแต่ว่าถ้ามันได้ไม่อยากไม่เท่ากับที่ต้องการอั น, นนั้นก็ทุกอัด น, นี้ลองพิจารณาดูนะ ในข้อความสามประการเนี่ยหรือเหตุการณ์ามเหตุการณ์เนี่ยซึ่งมันเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับเราซ้ำแล้วซ้ำเล่าประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจกรนีสมมุติว่าถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นเนี่ยเราเฉยๆกับมันนะมันจะทุกข์ไหมมันก็ไม่ทุกข์ พัดพราดจากสิ่งที่รักที่พอใจแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่พัดพลาดสูญหายไปนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเฉยๆกับมันเราทุกไหมนะก็ไม่ทุกนะอะไรมานะถ้าเกิดว่ามันได้น้อยกว่าสิ่งมันได้ได้มากกว่าสิ่งที่เราปรารถนานะจะทุกไหมนะก็ไม่ทุกได้แค่สิบนะแต่เราปรารถนาแค่สองเนี่ยโอ้ มีความสุขละนะอันนี้มันหมายความว่าไงหมายความว่าไอความทุกข์มันอยู่ที่ใจเรามากทีเดียวนะอะไรที่เราไม่ชอบนะถ้าเจอเมื่อไหร่นะเราทุกทันทีอะไรที่เราชอบถ้าเกิดเสียเมื่อไหร่เราทุกทันทีนะแต่ถ้าเกิดว่าจากสิ่งที่ไม่ชอบนะเราเปลี่ยนเป็นเฉย เจอมันยังไงเราก็ไม่ทุกข์จากสิ่งที่เคยรักเคยหวงแหนถ้าเกิดเราเปลี่ยนมาเป็นเฉยๆเสียมันไปเท่าไหร่เราก็ไม่ได้ทุกข์อะไรขยะนะขยะที่มีในบ้านเนี่ยใครมาขโมยไปเราเป็นทุกข์ไหมเราไม่ทุกข์เพราะเราเฉยๆกับมันหรือว่าก็เหมือนกับรถนะถูกขโมยไป หรือรถเกิดพังขึ้นมาแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่รถของเรามันไม่ใช่รถที่เราห่วงเราแหนนะเราก็ไม่ทุกข์เพราะฉะนั้นเนี่ยความทุกข์เนี่ยนะมันมันอยู่ที่ใจเรามากทีเดียวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะหรือว่าเราสูญเสียอะไรไปสูญเสียอะไรต่ออะไรมากมายแต่ถ้าสิ่งที่สูญเสียไปเราเฉยๆกับมันนะมันก็ไม่มีทางทุกข์ ตรงนี้เป็นสิ่งที่คนไม่ค่อยได้คิดเท่าไหร่ใครๆก็บอกว่าขอให้ได้เจอสิ่งดีๆขอให้ไม่เจอสิ่งที่แย่ๆ แ, แต่ถ้าเกิดว่าเราลองมาปรับใจเสียใหม่นะก็คือทำใจเป็นกลางกับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเจออะไรก็ไม่ทุกนะเสียงดังเสียงมอเตอร์ไซค์แดดร้อนฝนตกเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเราทุกเพราะอะไรเพราะเราไม่ชอบ แล้วเราก็พยายามเฝ้าภาวนาว่าอย่าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นฝนอย่าได้ตกแดด่าได้ร้อนนะรถจะได้ติดนะแต่ไม่ว่าเราจะภาวนาหรือเราจะพยายามเพียงใดก็ตามฝนก็ต้องตกวันยังค่ํานะแดดก็ต้องออกวันยังค่าถ้าอยู่กรุงเทพรถก็ต้องติดนะท่าไทยจะทุกเมื่อเช้าวันมันห้ามไม่ได้ มันเปลี่ยนแปลงได้ยากควบคุมได้ยากแต่ว่าสิ่งที่เราทําทได้คือทําที่ใจเราจากที่เคยไม่ชอบฝนตกแดดออกจากที่เคยหงุดหงิดรถติดะในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหรือในเมื่อมันห้ามไม่ได้เราก็มาเปลี่ยนที่ใจเราก็คือเฉยๆกับมันเนะสียงมอเตอร์ไซค์ดังความรู้สึกแรกนะก็คือความไม่พอใจนะ อย่างที่บอกไว้แล้วว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นเมื่อมีผัสสะนะนะเสียงมันกระทบหูเราเนี่ยนะเราไม่ชอบนะก็โกรธไม่พอใจหงุดหงิดลำคาญแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ทันไอความไม่ชอบนั้นรนะู้ว่าใจไม่ชอบเรารู้ได้นะถ้าเรามีสติเราก็จะรู้ใจเราไม่ชอบเสียงนี้นะใจเราไม่ปฏิกริยากับเสียงนี้นะเราก็ปรับใจของเราซะ ให้มันให้เป็นปกติให้เป็นกลางเสียงมันจะดังก็ดังไปเราเฉยๆกับมันทุกข์ไหมไม่ทุกข์แต่ที่ทุกข์เพราะอะไรเพราะเราไม่ยอมเฉยกับมันนะเพราะเราปล่อยใจให้เป็นอริกับมันให้เป็นโรคกับมันทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากนะสายที่ทุกข์อยู่ตรงนี้ต่างหากไม่ใช่เพราะเสียงนะไม่ใช่เพราะเสียงดังแต่เพราะ cane. ใจเราไม่ชอบมัน เป็นเพราะใจเราเป็นลบรู้สึกเป็นลบกับมันแล้วก็ทุกทุกทุกแล้วเราก็เอาแต่โกรธต้นต้นเหตุแห่งเสียงนั้นหรือที่มาของเสียงนั้ น, นเช่นเจ้าของรถมอเตอรไ์ไซค์หรือเจ้าของรถเจ้าของโทรศัพท์มือถือที่ส่งเสียงนะริงโทนอยู่ตลอดเวลาเราก็ไปโกรธไปโทษนะว่าเขาทำให้เราทุกข์แต่ที่จริง สาเหตุหรือตัวการสำคัญก็คือใจของเราต่างๆที่มันเป็นลบกับเสียงนั้นแถ้าเราไม่มองไม่เห็นตรงนี้นะเราก็จะทุกข์อยู่ร่าไปเพราะว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราต้องเจอไอ้สิ่งที่เรารู้สึกเป็นลบสิ่งที่เราไม่ชอบอยู่เรื่อยๆและความไม่ชอบความรู้สึกเป็นลบเนี่ยมันก็เกิดจากการที่เราตอกย้ำตัวเองนะตอกย้าตัวเองบ่อยๆว่าไม่ชอบไม่ชอบไม่ชอบ พอมันเกิดขึ้นก็เลยโกรธหงุดหงิดไม่พอใจขุนเคืองเสร็จแล้วใครทุกข์นะเราทุกข์เองเสียงบน่น็ำไมกันนะเสียงบ่นเนี่ยหลายคนบอกว่าเนี่ยเสียงบ่นของคนนั้นคนนี้ทําให้เราทุกข์นะทําให้เราหงุดหงิดแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลสําคัญนะเหตุผลสำคัญคือเรารู้สึกเป็นลบกับเสียงบน่นเราไม่ชอบเราลาคาญแล้วหลายคนก็พยายามจะ หูปากคนเหล่านั้นว่าหยุดบ่นสักทีแต่ก็ไม่เคยหูปากได้ไม่เคยบอกให้เขาหยุดบ่นได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือว่าเราปรับที่ใจเรานะให้เป็นกลางกับมันเฉยๆกับมันเสียงบ่นจะเข้าหูนะใจเราก็ไม่เป็นไม่กระเพื่อมเป็นปกติกับมันอันนี้เราทำได้นะล้วควรทำด้วย เพราะว่าเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับทุกอย่างให้มันถูกใจเราได้ให้มันเป็นที่รักที่พอใจของเราได้แต่เราปรับใจของเราได้นะมีเคยมีเรื่องเล่าว่านักบินอวกาศนะชาวรัเสเซียเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยเขาโคจรอยู่รอบโลกนะเราคงทราบว่ารัเสเซียนี่เป็นประเทศแรกที่ส่งนักบินอวกาศนะไปโคจรรอบโลกไม่ใช่อเมริกา จากนั้นไปกันคนเดียวแล้วก็ห้องนักบินก็คับแคบมากแต่ตอนที่เขาโคอจรรอบโลกเนี่ยนะเขาลงมาที่โลกมองลงมาที่โลกเนี่ยเห็นโลกสวยงามมากเกิดความยินดีเกิดความซาบซึ้งแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศมันสงบมากเลยนะบนบนอากาศเนี่ยนะมันเงียบนะ ไม่เคยเงียบแบบนี้มาก่อนเขารู้สึกดื่มด่ำกับความสงบและความงดงามที่เห็นและที่รับรู้แต่จูเนี่ยมันมีเสียงเหมือนกับเหล็กกระทบกันเสียงหลกเสียงเหล็กกระทบกันมันทำลายความสงบเขาก็พยายามหาว่าเสียงมันมาจากไหนแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วเสียงก็ดังอยู่เรื่อยๆดังอยู่เรื่อยๆนะ เขาคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าเสียงมันดังอย่างนี้ไปตลอดเนี่ยเขาจะไม่พอใจแน่นอนเขาจะไม่ใช่แค่เท่านั้นนะเขาคิดต่อไปเนี่ยเขาคงจะอาการหงุดหงิดที่เริ่มขึ้นเนี่ยมันทำให้เขาคิดต่อไปว่าเนี่ยถ้ามันเกิดขึ้นไปเรื่อยเนี่ยเขาคงบ้าแน่ๆเลยแล้วเขาก็เริ่มกระสับกระส่ายพยายามที่จะหยุดเสียงนั้นก็หาต้นต่อไม่เจอเสียงก็ดังไปเรื่อย แล้วนี่้ามันจะดังทั้งคืนเลยนะฉันจะหลับยังไงความรู้สึกอึดอัดความรู้สึกคับค้องความรู้สึกไม่พอใจมันเริ่มพุ่งขึ้นมาแล้วในห้องนัก บ, บีมก็แคบมากนะความรู้สึกกระสับกระส่ายเนี่ยมันค่อยๆเพิ่มมากขึ้นแต่จู่ๆเขาก็ได้เสเตติขึ้นมาเขาได้คิดว่าเนี่ยถ้าเสียงมันจะดังนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วจะต้องอยู่กับเสียงนี้ไปตลอดเนี่ย ทำไมไม่ลองรักเสียงนี้ดูทำไมไม่ลองรักเสียงนี้ดูแทนที่จะเกลียดมันเนี่ยนะรักเสียงนั้นดูแล้วก็หลับตาแล้วก็ตามลมหายใจแล้วก็นึกจินตนาการว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยไอ้เสียงเหล็กกระทบกันเนี่ยนะมันเป็นเสียงดนตรีสักพักบอกว่าเสียงที่เขารําคาญก็หายไปนะมันเกิดเป็นเสียงดนตรีขึ้นมาเขาลืมตาขึ้นเสียงดนตรีนั้นก็ยังอยู่ ที่จริงมันไม่มีเสียงอะไรหรอกนะมันก็เสียงนั้นเสียงเหล็กกระทบกันก็ยังอยู่นะแต่ว่ามันมันกลายเป็นเสียงดนตรีไปแล้วในความรู้สึก ข, ของเขาแล้วเขาก็เลยหายหงุดห ง, ง, งิดงุนงานหายลาคาญนะเขาก็สามารถจะอยู่นะในสภาพนั้นได้นะจกนกระทั่งกลับมาถึงพื้นโลกโดยปลอดภัยอันนี้เป็นตัวอย่างนะของคนที่เมื่อต้องเจอนะกับสิ่งที่ไม่รักไม่ไม่พอใจเนี่ย แทนที่จะไปจัดการกับสิ่งนั้นเนี่ยวิธีที่ดีกว่านะ่ะหลายครั้งคือการกลับมาที่ใจเราแทนที่จะไม่รักมันก็เปลี่ยนมาเป็นว่าเออรักมันชอบมันนะเปลี่ยนจากเสียงหล็กกระทบกันให้กลายเปเสียงดนตรีไปซะอันนี้คล้ายๆกับพยาบาลคนนึ่งนะเป็นหัวหน้าพยาบาลเป็นมะเร็งมะเร็งที่เธอเป็นเนี่ยมันแรงนะต้องใช้การฉายแสง แล้วก็เคมีบําบัดในปริมาณที่สูงมากเพื่งคนส่วนใหญ่เจอแบบนี้เนี่ยนะเจอปริมาณขนาดเนี้ก็จะแพ้แพ้อย่างหนักเลยแพ้จนกระทั่งเกิดไปนทนไม่ไหวแต่ว่าพยาบาลคนนี้เนี่ยนะพอแต่ละการฉายแสงแต่ละการทําเคมีบําบัดนะตนครบโดสเนี่ยเขาก็ไม่ได้ค่อยไม่ค่อยแพ้เท่าไหร่เพื่อนพยาบาลก็แปลกใจ ก็เลถามว่าเธอทํำยังไงนะร่างกายเธอมีภูมิคุ้มกันใดดีเลยเธอบอกเธอไม่ได้ทําอะไรมากนะร่างกายเธอก็เหมือนคนอื่นนะเพียงแต่ว่าเวลารับการฉายแสงนี่เธอก็ก็คิดว่ากําลังได้รับแสงสวรรค์เวลารับเคมีบําบัดเธอก็คิดว่ากําลังได้รับน้ําทิพย์ใจที่มันคิดว่าเนี่ยไอ้นี่คือแสงสวรรค์น้าทิพย์เนี่ย มันทําให้ใจเธอรับได้นะใ จ, ใจเธอไม่ต้านไอเคมีบําบัดหรือว่าการใช้แสงพอใจมันรับได้กายมันก็พลอยรับได้ไปด้วยการแพ้ก็เลยเกิดน้อยนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยพอรู้ว่าจะจะได้รับการใช้แสงเคมีบําบัดเนี่ยก็กลัวแล้วกลัวกลัวว่าเดี๋ยวจะแพ้นะมันตื่นกลัวมันมีการต่อต้านนะใจก็ต้าน ร่างกายก็เลยต้านไปด้วยใจต้านแต่มันก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าไม่งั้นก็ตายก็ต้องรับเอาแต่รับเอา ท, ท, ทั้งที่ใจมันต้านเนี่ยก็ตรงกับที่เราประสบกับสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจแต่ว่าในโรงพยาบาลคนนี้แกเปลี่ยนสิ่งที่ไม่รักไม่พอใจให้กลายเป็นสิ่งที่รักที่พอใจไปซะคือเห็นเป็นแสงสวรรค์น้ําทิพย์นั่นปรับที่ใจนะในเมื่อเราต้องเจอแล้วก็ตามแล้วเราหนีไม่พ้นเนี่ย แทนที่จะเกลียดมันก็รักมันซะหรือแทนที่จะอแทนที่จะเกลียดมันก็เปลี่ยนเป็นนะเฉยๆกับมันซะหรือว่าทําให้มันกลายเป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจซะนะอันนี้มันเป็นสิ่งที่นะเราควรจะรู้เอาไว้นะั้นแล้วก็เอามาใช้บ่อยๆนะกับตัวเราเพราะว่าไอ้สิ่งที่เราต้องเจอเนี่ยนะมัน จะไม่ได้มีแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวนะสิ่งที่เราไม่ชอบก็มีแต่ในเมื่อต้องเจอแล้วก็เปลี่ยนที่ใจของเรานะจากไม่ชอบเป็นชอบหรือจากไม่ชอบเป็นเฉยๆซะสติเนี่ยมันช่วยนะในการที่ทำให้เราเนี่ยวางใจเป็นกลางกับทุกสิ่งได้เมื่อมีความหงุดหงิดความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นเนี่ยหลายคนจะไม่ชอบแล้วพอไม่ชอบก็พยายามไปกดไปบังคับ ห้ามจิตไม่ให้คิดซึ่งทํากั้นบ่อยๆก็จะเครียดทําไปนานๆก็จะปวดหัวแน่นหน้าอกเนะพราะอะไรเพราะว่ากลั้นหายใจนะพอไปกดความคิดไปหยุดความคิดไม่ให้คิดเนี่ยเราจะเผลอกลั้นหายใจหลายคนเครียดเพราะว่าไม่ชอบพอไม่ชอบเนี่ยมันก็เครียดไปโดยปริยายเพราะว่าความเครียดก็เป็นโทความเครียดกเกิดจากโทสะนะ เวลามีความไม่ชอบเนี่ยมันก็เป็นโทสะเล็กๆเป็นความโกรธเล็กๆแล้วความโกรธพอเกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ลมหายใจเต้นเนต้นเร็วลมหายใจเต้นนานๆบ่อยๆมันก็เครียดสิร่างกายก็จะจะลานะ้านี่เป็นเพราะใจเรานะวางใจไม่ถูกเราไปรู้สึกลบกันตนะ่ความฟุ้งซ่านเราลองปรับใจเป็นกลางเฉยๆกับมัน มันฟุ้งซ่านก็ช่างมันหลวงพ่อคำเขียนท่านจะแนะผู้ปฏิบัตินะว่าเนี่ยคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่างช่างมันช่างมันไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะแค่ดูมันเฉยเฉยแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นก็พอนะฉันใช้คำว่าดูนะอย่าเข้าไปอยู่ดูเมื่อมีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นอย่าเข้าไปอยู่อย่าเข้าไปไ ป, ไปเป็นเนื้อเป็นตัว อันเดียวกับความฟุ้งซ่านมันก็จะปรุงแต่งเตลิดเปิดเปิงไปเรื่อยอันนั้นเรียกว่าเข้าไปอยู่แล้วเวลาใจลอยแล้วฟุ้งใบสารพัดเนี่ยอันนี้เราเข้าไปอยู่ในความคิดแล้วท่านบอกให้ดูเฉยหรือบางทีก็ใช้คำว่าเห็นอย่าเข้าไปเป็นอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็แค่เห็นมันอย่าเข้าไปเป็นไม่ว่าจะเป็นความหงุดหงิดความไม่พอใจความโกรธความเศร้าความเบือ่อก็เห็นมันไม่เข้าไปเป็นผู้เบือ่อ ผู้หงุดหงิดผู้โกรธผู้เศร้านะอันนี้เป็นเป็นเป็นหลักสำคัญเลยนะการเจริญสเตจ ค, คือฝึกนะฝึกดูนะไม่ปล่อยใจให้เขาถล่มก็ไปอยู่ในความคิดฝึกให้เห็นนะไม่เข้าไปเป็นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ใดก็ตามแม้แต่เป็นผู้ดีใจนี่ก็ก็ไม่ก็ไม่ควรนะเพราะว่าพอเราดีใจ สักพักความดีใจหายเนี่ยก็จะเริ่มไม่พอใจว่าทำไมมันหายไปเนะมื่อกี้ยังสงบสงบอยู่เลยเมื่อกี้ยังมีความเรียกว่าปิติอยู่เลยนะมันหายไปไหนแล้วเสียใจเสียใจที่มันหายไปพยายามทำให้ได้อย่างเมื่อกี้ยิ่งพยายามบังคับให้ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยพอไม่ได้เนี่ยก็เป็นทุกข์เลยเนะี่ยปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์ ถ้าทำด้วยความปรารถนานะถ้าทำด้วยความอยากนะพอไม่ได้เนี่ยหรือได้ไม่เท่ากับที่ต้องการเนี่ยทุกเลยนะคนสองคนเนี่ยความรู้สึกเหมือนกันนะก็คือว่าการปฏิบัติมันก็เรื่อยๆแต่ถ้าคนหนึ่งอยากนะอยากจะให้มันสงบนะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่สงบเท่าที่อยากก็ทุกเลยอีกคนหนึ่งก็เฉยๆ แล้วเาก็ไม่ได้มีความอยากอะไรก็ทำไปเรื่อยๆเท่าก็เลยทำได้อย่างเป็นปกตินะอันนี้มันอยู่ที่การวางใจของเราด้วยนะให้มีสติรู้ทันนะใจของเราเนี่ยถ้าเกิดมันไม่เป็นกลางนะมันเป็นลบนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความคิดหรืออารมณ์หรือรูปรสกลิ่นเสียงที่รับรู้นะใจเราไม่เป็นกลางเมื่อไหร่ทุกทันทีเลยนะ แดดเนี่ยแม้จะไม่แรงแต่ถ้าเราไม่ชอบเนี่ยทุกเลยรถติดเนี่ยนะจริงๆไม่ได้ติดมากนะพอเราไม่ชอบนะเพราะเรามีความอยากอยากจะให้ถึงที่หมายไวๆนะสิบห้านาทีต้องถึงแล้วอยากขอ ร, รถติดเข้าเนี่ยมันทุกเลยหงุหงดขึ้นมาทันทีแต่วันไหนที่เราไม่อยากนะคือไม่รีบจะไปให้ถึงนะครึ่งชั่วโมงก็ได้เพราะเราไม่รีบร้อนเนี่ย เจอรถติดเราก็เฉยๆเจอไฟแดงเราก็เฉยๆนะไม่ได้ทุกข์อะไรนะเพราะว่ามันไม่มีความอยากที่จะไปให้ถึงไัยวัรถติดไม่ทําให้เราทุกข์นะแต่เราทุกข์เพราะเราไม่ชอบมันเราทุกข์เพราะเราอยากจะถึงววมันอยู่ที่ใจเราทั้งนั้นแหละนะปรับใจเราซะนะถ้าเราปรับใจได้เนี่ยนะรถติดนะจิตเราก็ไม่ตกนะเราก็สบาย อันนี้เป็นแบบฝึกหัดที่ฝึกได้นะฝึกให้วางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆแต่จะทํางัานได้มันไม่ใช่แค่คิดเอาอย่างเดียวมันต้องปฏิบัติจนกระทั่งมีสติแล้วสติก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะปรับใจเป็นกลางหรือทําให้เกิดปัญญาสามารถจะปรับใจให้ชอบจากเติมที่ไม่ชอบเนี่ยอย่างตัวอย่างที่ยกไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของปัญญานะเป็นเรื่องความฉลาดว่าในเมื่อจะต้องอยู่กับมันแล้ว แต่ที่เกลียดมันก็รักมันดีกว่านะอันนี้ภาษาพระเรมีโยนิโสมมนสิกการนะแต่เรื่องง่ายคือฉลาดคิดแต่ฉลาดคิดได้ต้องมีสตินะเพราะถ้าไม่มีสตินี่มันก็จะมันก็จะจิตมันก็จะหมกมุ่นอยู่กับอารมณ์ที่เป็นทุกข์นะจนกระทั่งไม่สามารถจะเกิดปัญญาขึ้นมานะเปลี่ยนลบให้กลายเป็นบวกได้อ่าอาจารนี้พูดกันเท่านี้นะกระพร